คุณกันตามีอะไรจะถามอีกไหมหรือว่ามีอะไรจะแสดงอีกไหมแสดงคําถาม อ, าอย่างที่พระคุณเจ้าแสดงเรื่องของสมัาสั ญ, ญาณนะครับโดยพิจารณาขันอดีนาคตปัจจุบันแล้วก็พิจารณาโต่สี่สิบอย่างเนี่ยการที่นํามาใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาถึงอาการทั้งสี่สิบอย่างจะต้องนําขันทา่อาอโยธนะหรือว่าธรรมะที่ ที่แสดงไว้บริบูรณ์เลยก็คือสองร้อยหนึ่งใช่ไหมครับจําเป็นจะต้องเอามาใครายครวนทั้งหมดไหมครับหรือว่าเลือกฉเฉพาะบทใดบทหนึ่งหรือว่าธรรมะหมวดใดบทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีฉันทะในธรรมะหมวดนั้นมา ค, คล่ครวนพิจารณาและอย่างอาการของโตสี่สิบเนี่ยจะพิจารณาทั้งสี่สิบอย่างพิจารณาไปพิจารณามาอยู่อย่างนั้นหรือไงครับหรือว่าจะมีเทคนิคมี ความเข้าใจพิเศษอะไรไหมที่จะพิจารณาบทไหนซึ่งจะทำให้มีความทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, อนาตานะครับคงต้องดูอัธยาศัยของผู้ที่เจริญอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลนั้นมีอัธยาศัยแค่ไหนหรือมีความปรารถนาแค่ไหนหมายความว่าถ้าหากว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะ เอาวิชาเหล่านี้ไปอธิบายให้ใครฟังเนี่ยนะไม่ต้องการไปแสดงซึ่งหมายความว่ามีข้อมูลแล้วก็เก็บตัวอยู่เงียบๆพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็อาจจะไม่กี่อย่างก็พอไม่กี่อย่างคือเป็นธรรมะใดที่คิดว่าตัวเองส ป, ปายะเนี่ยนะที่ตัวเองส ป, ปายะเหมาะกับจริตอัธยาศัยก็เพ่งสิ่งนั้นให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ถามว่าน้อยน้อยนี่พอไหม ก็คิดดูว่าถ้าหากว่าเราไปหลีกเล่นเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เจริญอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นบุคคลที่ไม่อะไรในหมู่คณะไม่อะไรในในทุกเรื่องว่างั้นเถอยเป็นคนที่ไม่มีอะไรอาวรนอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรอาวรนนั้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวเมื่อมีชีวิตที่โดดเดี่ยวนี้ซึ่งธรรมดาคนทั้งหลายก็ต้องมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่เหล่านี้เนี่ยนะ คงผู้ที่เจริญคงจะรู้ประมาณของตนเองว่าแค่ไหนจึงจะพอดีเช่นว่าตัวอารมณ์ของวิปัสสนาตั้งแต่ขันอายตนาภายใน6อายตนาภายนอกหวิญญาณ6เป็นต้นเนี่ยนะที่เราเรียกว่าปีรูปสาตรูปหรือแม้กระทั่งอายตนาธาตุอินทร์สัจจะจนถึงปฏิจจสมุปบาท สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีฉันทะเป็นมีความเป็นพหูสูตรอยู่มากเขาก็จะพิจารณาได้มากแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่เป็นพหูสูตรมากก็พิจารณาแต่เช่นขันอย่างเดียวก็ได้หรืออายตนะอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ความเข้าใจก็จะค่อยๆเพิ่มเองส่วนวิธีการพิจารณาจะโดยอาการ40หรือไม่ ก, ก็คงอยู่ที่ว่ามีศรัทธาอย่างไร ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มละห้าร้อยรูปกลุ่มแรกเนี่ยมากด้วยอนิจจานุปัสสนาพระองค์ก็แสดงว่าสัพเทสังขาราอนิจาติยถาปัญญายปสติเป็นต้นเนี่ยนะว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในวัฏฏทุกข์กันะย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานหรือทางแห่งความ หมดจดในพระภิกษุกลุ่มนี้ฟังพุทธพจน์นี้แล้วก็สามารถตรัสรู้อริยสัจอีกกลุ่มหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าสัพเพสังขาราทุกขาติเนี่ยยะถาปัญญายะปสติซึ่งภิกษุกลุ่มนี้ฟังแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญญามากอีกห้าร้อรูปก็ฟังสัพเพธทำมาอนัตตาติก็แสดงว่าตรง น, นี้มีการแยกกัน บางสูตรนี้แสดงรวมกันทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตาบางสูตรแสดงแต่อนิจจังอย่างเดียวบางสูตรแสดงแต่ทุกขังอย่างเดียวบางสูตรก็แสดงแต่อนัตตาแต่ว่าอนัตตาจะเข้าใจชัดก็ด้วยเอาอนิจจังมาอธิบายเอาทุกขังมาอธิบายและเอาอนิจจังและทุกขังอธิบายอนัตตาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คงคงว่าไปตามอัธยาศัยของบุคคลใด แต่ในโลกของการฟังเนี่ยนะในสุตตะมยปัญญาเนี่ยคงต้องฟังจนหมดฟังทุกเรื่องเพราะว่าถ้าเรารีบสันโดษตั้งแต่การฟังแล้วเนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้ว่าอัธยาศัยของเราจริงๆแล้วแค่ไหนในยุคนี้เราเกิดมาในยุคที่เรียกว่าเป็นรุ่นทดลองก็ได้นะทดลองด้วยตัวเองซึ่งเขามาก็ไม่เชื่อว่าอัธยาศัยของบุคคลหนึ่งแล้วไปอธิบายอีกบุคคลหนึ่งได้ อีกคนหนึ่งชอบอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งดูสิว่าทุกคนมาฟังธรรมเหมือนกันเสื้อเหมือนกันไม่ล่ะใส่เสื้อมาไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ท, ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะมาเข้าในสถานที่เดียวกันถึงขนาดนั้นตําแหน่งที่นั่งยังไม่เหมือนกันอันนี้คือความหลากหลายทางสรีระทางอิริยาบทเป็นต้นแล้วในโลกของความรู้สึกนึกคิดมันจะหลากหลายขนาดไหนอันนี้คือความวิจิตของของสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะ เมื่อความวิจิตเหล่านี้เนี่ยนะธรรมะที่เป็นสปายะของบุคคล น, นั้นจึงต่างกันสังเกตดูจากความประทับใจในพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแต่ละคนจะไม่ชอบสูตรเหมือนกันแสดงว่าธรรมะเป็นที่สปายะของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันวิธีการพิจารณาก็เหมือนกันว่าบางคนนี้ถนัดในการพิจารณาอนิจจังบางคนก็ถนัดในการพิจารณาทุกขงังหรือบางคนก็ถนัดในความเป็นอนัตตา บางคนก็ต้องชอบวัยพ์ของอ น, นิจจงนะไม่ชอบคาว่าอ น, นิจจ์ตรงตรงชอบวัยพ์ของอ น, นิจจงบางคนก็ไม่ใช่ว่าชอบทุกขังตรงๆก็ชอบวัยพ์ของทุกขงังบางพวกก็ชอบอนัตตาบางพวกก็ชอบวัยพ์ของอนัตตาอันนี้ก็แสดงว่าความหลากหลายทางสติปัญญานี้คือไม่เหมือนกันเลยเมื่อไม่เหมือนกันอย่างนี้เนี่ยนะจึงไม่ถ้าของมาโดยส่วนตัวจึงไม่กล้าเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งตัวอารมณ์เองก็มีตั้งสองหนึ่งข้อใหญ่นัทั้งตัววิปัสนาเองก็มี4ี่วิธีใหญ่หญ่ทั้งอารมณ์สองร้อยกว่าวิธีพิจารณายี่กว่าพา่านโบราณท่านจึงจะคำนวณมาเลยว่า4ี่สิคูณสองหนึ่งนก็คือวิธีพิจารณาขนาดนั้นใครถนัดที่จะพิจารณาอะไรก็คงอ่เพราะว่าเราคงรู้วัตถุประสงค์แล้วใช่หว่าเราจเจริญทำไมจเจริญเพื่ออะไร เมื่อเรารู้วัตถุประสงค์ว่าเจริญทำไมเจริญเพื่ออะไรแล้วเราเองน่าจะเป็นคนรู้ความพอดีของตัวเองดีที่สุดเนี่ยนะซึ่งแต่ในชั้นของการฟังการอ่านการเรียนอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองควรจะฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญความเป็นประหูสูตรว่าผู้ที่ฟังมากเป็นมงคลเนี่ยนะส่วนการไปพิจารณาการไขขลวนนั้นก็เป็นกำลังของพหูสูตรอยู่แล้วว่าพหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังนี้เมื่อพิจารณามาก สิ่งใดที่เป็นสัพปายะสาหรับตนก็พิจารณาธรรมะเหล่านั้นให้มากสังเกตดูจากพระอนุนเนี่ยนะพระอนุนนี่มากด้วยกายคตาสติมากด้วยกายคตาสติภาษารีบรมากด้วยการพิจารณาเวทนาภาษาดีบรมากด้วยพิจารณาเวทนาพระโมคคัลลานะมากด้วยการเจริญสมถะเป็นบาทพระอนุรุธะก็มากด้วยการเจริญมหาปริสาวิตกซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวกัน ไม่มีพ้นอริยสัจเพราะหลักการใหญ่อยู่ที่อริยสัจแต่ว่าส่วนรายละเอียดเนี่ยนะการที่จะเข้าถึงโล ก, กุตระธรธรมนั้นจึงต่างกันนั้นอริยมรรคเนี่ยจึงเรียกว่าสหัสไนเนี่ยนะมีในเป็นพันในสหัสไนคือหมายความว่าบรรลุอริยมรรคได้ประมาณพันวิธีนะแต่จริงๆแล้วคนละ ว, วิธีคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าในรายละเอียดโดยหลักการเนี่ยก็ โสดาปฏิมากอย่างเดียวก็ประมาณพันวิธีสกอาธาคามีมากก็ประมาณพันวิธีในระดับสูงแต่ทีนี้ในชั้นระดับล่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ถ้ว่าตรงๆก็แล้วแต่ศรัทธานะมีศรัทธาจะเจริญสิ่งไหนก็จเจริญไปเถอะนะขอให้เป็นไปตามคำสอนมีอยู่สูตรหนึ่งยังชอบถึงทุกวันเลยก็คือที่บอกว่าถ้ายัางลงสู่พระนิพพานเนี่ยมากมายประดุดท่าลงสมุด นะประดุจท่าอย่างลงทะเลมากขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็เฉพาะมากเนี่ยมากหมายความว่าอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่ในรัฐที่อื่นเพราะว่าสมณะเป็นต้นมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาผู้ที่ปรารถนาตรัสรู้มากผลก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนทีนี้ปฏิบัติตามคําสอนนี่ก็อย่างในยะแห่งสมถะมีตั้ง40วิธี40วิธีนี่รายละเอียดเมตตาอย่างเดียวก็หลายร้อยใน กรุณาอย่างเดียวก็หลายร้อยนายเกี่ยวกับอสุภะทั้งหลายก็มีนายอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพรนันธ์อันนี้คือความวิจิตที่ถ้าขอมาเองก็ส่วนตัวก็คือไม่สามารถที่จะบอกว่าคนควรจะเจริญอะไรแต่ถ้าเบื้องต้นก็จะแนะนำเอาสวดมนต์อันนี้เหมือนกันเวลาไปไหว้พระจะได้เหมือนกันหรือเอาพระสูตรนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะเป็นสูตรที่โบราณท่านนิยมเอามาแสดงการเอามาสาธยายการเช่น อธิตตะปริยัยสูตรอนัตตลักษณะสูตรธรรมจักปรประวัตนสูตรก็คือสูตรเหล่านี้ก็ถือเอาเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันแต่รายละเอียดของการเจริญการพิจารณาแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนคือหลักการวิชาคําสอนสวากขาโตนี้ควรจะเหมือนกันนัสมการถามพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะถ้าตอนบรรลุโลกุตละนี้จะไม่ว่าโดย อันนิจจังทุกขังเรื่อนัตตาอันใดอันหนึ่งก็จะท่านก็จะบรรลุทั้งสามในนั้นแต่ตอนที่เป็นโลกียะนี้ถ้าหากว่าอัธยาศัยเจริญอันใดอันหนึ่งแล้วจะทำให้เข้าใจทั้งสามอันเลยไหมคะคืออันนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นลักษณะของสังขารธรรมคือถ้าผู้ใดรู้อันนิจจังจริงก็รู้ทุกขลักษณะด้วยรู้จักอนัตตลักษณะด้วย ถ้าผู้ใดรู้จักทุกขลักษณะจริงก็รู้จักอนิจจ ล, ลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยทีนี้ผู้ที่รู้อนัตตลักษณะเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องรู้จักอนิจจลักษณะและทุกขลักษณ ะ, ษณะคือสิ่งเดียวกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยพิจารณาเห็นผมโดยความเป็นของไม่เที่ยงบางคนเนี่ยมองเห็นผมอย่างเดียวกันนี่แหละคือตัวทุกข์บางคนเนี่เห็นความเป็นอนัตตาคือความไม่มีแก่นสารในผมเลยอ่านะ มันก็แตกต่างกันก็สุดแท้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธามากโดยมากมักจะพิจารณาโดยอนิจจังผู้ที่มีสมาธิมากโดยมากจะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ผู้ที่พิจารณาโดยอนัตตา ม, มากแสดงว่าผู้นั้นมีปัญญ า, านะทีนี้ผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็ต้องไปดูว่าประเภททุกขาปฏิปทาหรือว่าสุขขาปฏิปทาอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์คะอย่างเวลา เราคุยธรรมะกันนี้ถ้าพูดเรื่องอทุกคลักษณะหรืออ น, นิจจลักษณะ น, นี้จะอธิบายแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายแต่พอพูดถึงอนัตตลักษณะนี้แบบว่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันเลยนะคะท่านจึงบอกว่าอนัตตานี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากพระพุทธเจ้านั้นจึงแสดงอนัตตาย่อยอยู่สามวิธีด้วยกันเช่นว่า ถ้าจักขุจักเป็นจักเป็นอัตตาถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วซายรูปก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดยาได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ความตามความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดยาได้เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้คือเอาความทุกเนี่ยนะความเป็นทุก ความอาพาธความเบียดเบียนบีบคั้นของรูปมาอธิบายอนัตตาว่าไอ้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจในความทุกข์นั้นอย่างแท้จริงอนะอย่างบางสูตรเช่นฉะฉะกะสูตรพ่องก็ตรัสว่าถ้าบุคคลกล่าวว่าจักขุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะจักขุทั้งหลายมีทั้งความเกิดขึ้นมีทั้งความเสื่อมไปมันถ้าผู้ใดสำคัญว่าจาักขุเป็นอัตตางั้นอัตตาของเราก็ต้องเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะเหตุที่จักขูเนี่ยเกิดขึ้นและเสื่อมไปจักขุจึงเป็นอนัตตานอันนี้ก็คือให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเป็นอนัตตาใครห้ามว่าใครไปสั่งว่าอย่ากเกิดนะไอ้ที่เกิดแล้วก็อยากแตกทําลายไปไม่มีใครมีอํานาจอย่างนั้นจริงอันนั้นคือเรียกว่าลักษณะโดยที่อวาอนิจังมาอธิบายแต่โดยหลายแห่งก็บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะรู้กันนะสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือในความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ของสิ่งนั้นนั่นแหละจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนนั้นผู้ที่พิจารณาโดยอนัตตานั้นจึงเป็นผู้มีปัญญามากพระอาจารย์คะอย่างเวลาเราพิจารณานามรูปและปัจจัยพระอาจารย์ก็แสดงว่าจะบริบูรณ์เมื่อเรารู้จุติและปฏิสนธิ แล้วถ้าเราพิจารณาไตรลักษณ์นี้จะบริบูรณ์จะมีอาการยังไงคะอะ่บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อว่าเป็นบาทของนิพพิธาเนี่ยนะเช่นว่าเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันน่าเบื่อแค่ไหนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันน่าเบื่อขนาดไหนในสิ่งที่เป็นภาระสมมติถ้าเป็นทุกขลักษณะเนี่ยนะคือถ้าจะยกให้เราดูแลคนไข้คนหนึ่ง ที่บอกดูแลยังไงเขาบอกสมมติเขามีอายุร้อยปีตายไงนะและให้เราดูแลคนป่วยอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะถามว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนถ้าคิดแบบธรรมนาทั่วๆไปเนี่ยนะก็อย่างคล้ายๆกับมีมีครอบครัวบางครอบครัวที่จะต้องแม่เนี่ยอายุ80ดกว่าใชต้องเลี้ยงลูกปัญญาอ่อนอายุเจ็สิกว่าเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมาแลจนถึงลูกอายุเจ็ดสิบแม่ก็แปดเก้าไปแล้วเนี่ยนะถามว่า ม, มันมหาภาระขนาดไหน คือคือเห็นเหยนภาระเห็นกองทุกอันนั้นขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์ที่ไม่ได้ทําให้ดีอะไรขึ้นเลยอันนี้ก็คือความมันน่าเบื่อของอย่างหนึ่งแล้วอันนี้จังก็เหมือนกันบอกว่าก็สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงทําเสร็จแล้วก็อะไรนะทำแล้วทิง้งทําแล้วทิง้งทําแล้วทิง้งทําแล้วทิง้งแล้วมันจบที่ไหนเนี่ยอน น, นก็เหมือนแบบอย่างที่พระอนุรธธุทธะสมัยที่ท่านยังไม่บวชนะนะท่านถามพี่ชายอพี่ชายเล่า ว, วิธีทํานาให้ฟังก็บอกว่าเอ่อเนี่ยต้อง ธรรมดาผู้ครองเรือนนะ่าจะต้องทำนาทำยังไงฝนตกท่านก็ต้องไปไถก่อนเมื่อไถเสร็จท่านก็ต้องไปไปแต่งดินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปหวานหวานเสร็จก็ไปดึงอะไที่หวานแล้วเอาไปปกักไปดำปักดำเสร็จก็ดูแลจนกว่าข้าวจะออกรวงข้าวสุกก็เกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เอามาเข้ายุงแล้วก็เอามาประกอบจนกว่าจะามาเป็นข้าวสุกบอกทำอย่างนี้เสร็จเลยไหมบอกไม่ปีหน้าทำอีกอนะก็ทำอย่างนี้อยู่ทุกปีทำอย่างนี้อยู่ทุกปี ก็ถามว่ามีสาระตรงไหนบ้างในในสิ่งนั้นก็ต้องดูแลในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นกลุ่มพยาบาลก็เหมือนว่าคนไข้รายนี้ส่งมาก็ตายรายนี้ส่งมาก็ตายรายนี้รายไหนส่งมาตายหมดอย่างเงี้ยนะถามว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนแล้วก็แล้วมีอํานาจอะไรบ้างไปไปหยุดยั้งความตายเหล่านั้นก็ทําไม่ได้หยุดยั้งความป่วยก็ทําไม่ได้หยุดยั้งความตายก็ทําไม่ได้เนี่ยนะ คือเห็นความไม่เป็นแก่นสารของสิ่งเหล่านี้เลยจิตก็น้อมออกเพราะฉะนั้นไ อ, ไอ้เมื่อกล่าวตามพระสู่ทั้งหลายบอกว่าเมื่อเห็นอนิจจังที่สมบูรณ์ก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเมื่อเห็นทุกขังสมบูรณ์ก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเห็นอนัตตาสมบูรณ์ก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยน ะ, ะมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆหรือเราคิดเองว่าเอ๊ะมันมันต้องเบื่อ อันนี้คือคือว่าจนกว่าจะว่าอารมณ์นั้นไม่เป็นนิมิตแห่งแห่งชันธราคะต่อไปเนี่ยนะซึ่งทางปัญญานี่ก็ต้องเพิ่มพูนอย่างมากแล้วก็ทางอารมณ์ต้องรู้อารมณ์นั้นอย่างอย่างจริงๆเนี่ยนะต้องรู้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอารมณ์นี้คือปริญญาธรรมตัวปัญญา ท, ที่เจริญนี้เป็นภาเวตาธรรมทีนี้ปัญญามันก็ต้องอาศัยบริวารบริขานบริขารของปัญญาก็คือมรรคเจดที่เหลือจะต้องมาเป็นบริวารของปัญญา ก็ต้องมาบ่มจนกว่าปัญญาเหล่านี้จะมีบริวารเต็มเปี่ยมแล้ววัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการตัดฉันธราคาได้จริงถ้าพระอาจารย์แสดงว่าการพิจารณาไตรลักษณ์จะบริบูรณ์ก็เมื่อเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาถ้าเราเทียบในวิปัสสนาญาณญาณที่ทำให้เบื่อหน่ายพวกนิพพิทาญาณ น, นี้มันก็จะเกิดหลังอุทยพย า, ยานถ้างั้นจะกล่าวได้ไหมคะว่าพออุปกิเลสเกิด ก็แสดงว่าสัมมาสนญาณของเรานี้บริบูรณ์แล้วคือตั้งแต่สัมมาสัญาณจนถึงนิพพิธายานเป็นต้นเนี่ยนะยังไงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวเราเรียนต่อไปก็ถึงว่าเห็นอนิจจังเนี่ยนะคือไอ้เกิดดับเนี่ยมันเกิดดับสองอย่างโดยขณะกับโดยปัจจัยผู้ไรผู้รู้ผู้ใดรู้เกิดดับโดยขณะเรียกว่ารู้อนิจจัง นะรู้เกิดดับโดยขณะเรียกรู้รู้ความเบียดเบียนโดยขณะก็ชื่อว่ารู้เป็นทุกขงังรู้ทั้งโดยขณะและโดยปัจจัยนี้ที่เรียกว่ารู้อนัตตลักษณะอั้นเกี่ยวกับเกิดดับก็ยังเป็นไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีแม้แต่พังขยานก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาอีกอยู่ดีเนี่ยนะระดับสูงไปแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอีกอยู่ดีจนถึงโ น, น้นอนุโลมยานบริกรรมอุปจาระเนี่ยนะ ทั้งแม้กระทั่งในมรควิถีบริกรรมอุปจาระอนุโลมก็อนิจังทุกขังอนัตตาโคตภูจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์พรันสภาวะธรรมเนี่ยจึงมีลักษณะสองคือปัจจัารลักษณะกับสามัญยลักษณะการพิจารณาอย่างไรในระดับที่ปัิสนาไปแล้วก็ไม่มีเกิน ส, สามัญยลักษณะแต่รายละเอียดของการรอบรู้สิ่งนั้นต่างกันตามภูมิแห่งปัญญาท่ามีปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็คงจะเชิญครับ อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าตะกี้พระอาจารย์บอกว่าตรงโคตภูญานี่มีนิพพานเป็นอารมณ์อยากอยากทราบ ว, ว่าคําว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มีสภาวะธรรมเป็นไงคะถ้ากล่าวอย่างนี้ก็บอกว่าสภาวะธรรมก็มีสันติเป็นลักษณะมีความสงบจากขันท่าทั้งปวงเป็น <laughs> ลักษณะคือสภาวะธรรมก็เป็นอย่างนั้นจริงจนะมีความสงบจากวตตะเป็นลักษณะแต่ก็คือที่ โคตรภูยานเนี่ยเป็นการหลีกออกจากสังขารคนที่เกาะอยู่เนี่ยนะไม่เข้าใจคำว่าหลีกออกหรอกว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะไม่รู้หรอกคำว่าหลีกออกเป็นอย่างไรจนกว่าจะเกาะเออเรียกว่าอะไรนะหลีกได้เองนั่นแหละจึงจะจึงจะเข้าใจเพราะนั้นอย่างที่ศึกษากันอยู่นีเพียงแต่คาดเอาว่าถ้าหลีกออกจากสังขารในวิถีเดียวกันได้เนี่ยคงเป็นสุข คือของเราเนี่ยหลีกจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งเนี่ยหลีกด้วยชวอาวัชนะหลีกที่อาวัชณนะหลีกในวิถีจิตหลีกด้วยภวังขจิตเนี่ยนะไปไปลงไปลงภวังก่อนแล้วก็เช่นจากสีไปหาเสียงเนี่ยก็หลีกที่ภวังแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติจนถึงระดับอริยมรรคเนี่ยนะมันหลีกออกในวิถีเดียวกันจิตในเจ็ดวงนี่หลีกจากได้นะคือก็อตามสูตรเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดมันเป็นวิราคะจาก ขันอันนั้นเนี่ยนะซึ่งที่เขานิยมแปลว่าปล่อยจากความสำคัญว่าเที่ยงว่าสุขว่างามและว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะมันก็อย่างมากก็ได้อุปมาว่ากระเด้งออกกระดอนออกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะซึ่งไอ้สภาวะของพระนิพพานนั้นไม่อยู่ในวิสัยแห่งตักกะไม่อยู่ในวิสัยแห่งการคาดคะเนเป็นต้นก็จะอธิบายอย่างที่พระองค์บอกว่าอามะตะังปณีตังเนี่ยนะอมตตังก็คือเป็นอมะตะปณีตังก็ประนีต อย่างในรัตนาสูตรใช่ไหมยำพุทธเศโภปอะไรนะข้อที่สองเนี่ยนะขยั่งวิราคาังอมตตังปณีตังยธตจขาสกยามุนีเนี่ยนะก็คือขยังก็คือทําเป็นที่สิ้นหมายความว่าถ้ารู้สิ่งนี้แล้วกิเลสทั้งหลายจักสิ้นไปวิราคังหมายความว่าเป็นทำเป็นที่ตั้งเป็นที่คลายกำนัดทั้งหมดอมตะตังเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะไม่มีเกิดจึงไม่ตาย ปณีตังก็คือเป็นธรรมชาติที่สงบประณีตละเอียดอ่อนซึ่งสภาวะของนิพพานก็สันติลขัขณังมีสันมีความสงบเป็นลักษณะแต่ทีนี้ก่อนที่จะแสดงตลอดสภาวะธรรมเหล่านั้นก็จะต้องเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าอย่างเต็มที่อันนี้คือสูตรเพราะจิตหลีกออกจากทุกขสัจจะน้อมไปในนิโรสัจจะก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวเลิกแล้วคุณเจ้าจะไป